สิขาบทวิพัง929คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าพิชชณีมีอธิบายว่าชื่อว่าพิชชณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าพิชชณีในความหมายนี้การดอกกระถิ่นที่ชื่อว่าชอบธรรมคือพิชชณีสงผู้พร้อมเพรียงกันประชุมกันดอก คำว่าคัดค้านคือคัดค้านว่าจะดอกกระถินได้อย่างไรต้องอาบัดปาจินตี